เอสองอาทิกรณ์ได้มีโอกาสไปประเทศจีนกับท่านตงหนิงเขานี้มนให้ไปสอนกรรมฐานให้กับคนจีน่ารประมนี้ก็จัดโดยกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนชาวจีนนะก็มีกลุ่มที่ศรัทธาในการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนแล้วก็ มีมนพระจะเจาะเมืองไทยไปสอนบางทีครั้งหนึ่งก็เชิญอาจารย์กัมพลไปด้วยไปสอนกรรมฐานก็จัดค่อนข้างถี่นะปีนึงก็สี่ครั้งห้าครั้งครั้งหนึ่งก็8ดคืนเจวันเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้นพอสมควรนะ คือปฏิบัติแต่เช้ามดืดแต่เขาไม่ตื่นเช้าไม่เหมือนเรานะเขตื่นประมาณตีห้าแล้วก็เริ่มปฏิบัติจนสองทุ่มครึ่งสามทุ่มไม่มีสวดมนต์ไม่มีทีวีฟ้องอะไรก็ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วคนที่นั่ก็ปฏิบัติกันจริงจังมาก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 บางคนก็พาสามีภรรยาพาพี่เขยน้องสะายมาปฏิบัติก็ดูตั้งใจจริงกันดีบางคนก็มาเข้าคอร์สแบบนี้ก็หลายครั้งละสี่ห้าครั้งละมาสุดท้ายก็ บรรยกาศให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นก็มีหลายคนพูดคล้ายๆกันว่าช่วงสองสามวันแรกนี่มันทรมานมากบางคนแค่วันแรกก็ตั้งคำถามในใจแล้วว่าเอ๊ะมาทำไมเพราะดูว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแต่ยกมือสร้างจังหวะแล้วก็เดินความเครียดความเบื่อความง่วงหลุมเล่า แต่ว่าพอปฏิบัติไปทั้งวันที่สามวันที่4ี่ก็รู้สึกตัวเบานะใจเบามีคนหนึ่งบอกว่าวันแรกนี้ก็อยากกลับละไม่รู้ทำาทํทำไมกันแต่ว่าเสียดายโทรศัพท์นะโทรศัพท์มือถือเพราะว่าคนจัดนี่เขายึดหมดนะโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องเขาเก็บไว้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 รู้สึกว่ามันใจนี่เบารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เริ่มคำได้ว่าไอความรู้สึกตัวสติมันเป็นอย่างไรมีคนหนึ่งรลาย้าฟังว่าเขาเคยไปเข้าคอร์สเมื่อปีที่แล้วเสร็จจากคอร์สก็จะกลับบ้านที่บ้านนี่เขาก็มีการนัดหมายว่าจะ จะขึ้นศาลกับสามีเพื่อหย่ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ก็บังเอิญน้ำท่วมก็ทำให้การขึ้นทาให้ศาลนี้ก็ต้องเลื่อนไปกไ็การที่ต้องเลื่อนไปหลายวันนี่ก็ทำให้มีโอกาสได้เอาวิชาสตินี่มาใช้ก็คือว่าทำให้เขาได้รู้จัก ดูใจของตัวแต่ก่อนนี่ก็คิดแต่จะโทษสามีว่าเป็นต้นเหตุแห่งความวิวาดบาทหมางแต่พอมาดูใจของตัวเองก็เห็นว่าเออใจตัวเองนี่ก็มีส่วนด้วยทาให้อดทนมากขึ้นฟังสามฟังสามีมากขึ้นก็ปรากฏว่าทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น สุดท้ายก็ตกลงว่าไม่ไม่อย่าร้างกันเขาก็บอกดีใจมากเพราะว่าได้นอกจากจะได้สามีกลับมาแล้วก็ยังทำให้ลูกนี่ไม่ไม่ขาดพอ่อเขาก็ได้อั น, นีิสงจากการเจอรัสติเห็นประโยชน์ว่ามันทำให้ชีวิตหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้น ก็เลยมาปฏิบัติอีกก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ของหลายคนนะที่เขาได้ประโยชน์ก็เลยชวนกันมาชวนญาติชวนสามีชวนคร อ, อบครัวมาคนจีนตอนนี้ความสนใจเรื่องสมาธิภาวนานี่มีเยอะมากรวมทั้งการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน ตอนนี้จะว่าไปคนจีนนี่เขาก็มีความกระหายความสงบความสุขที่มันมากไปก ว, ว่าวัตถุแต่ก่อนคนจีน30สปีก่อนก็จะนึกถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องความอยู่รอดเพราะว่าส0สบกว่าปีก่อนจีนนี่จนมาก ข้าวข้าวดีๆนะอย่างที่บ้านเรากินกันคนหล่านั้นแทบจะไม่ได้รู้จักเลยข้าวที่ข้าวหักผสมกรวดมีทรายฝนอันนี้เป็นธรรมดาที่ต้องเจอไม่ต้องพูดถึงข้าวหอมมะลินะแม่ทุกวันนี้นะข้าวของเขาก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับข้าวเมืองไทย แต่ว่าคนจีนตอนนี้เนี่ยพอ ข, ข้ามพ้นจุดนั้นไปแล้วข้ามพ้นจุดที่ต้องกระเสือกกระสนหาอาหารการกินกต่อสู้กับความอยู่รอดตอนนี้ประเทศจีนเ ก, ก็มีความเจริญต้องเรียกว่ารุดหน้าเมืองไทยไปเยอะทีเดียวนะญาติพี่น้องที่เคยรับเงินจากเมืองไทยคนไทยสมัยก่อนนี่ ลูกจีนที่มาอยู่เมืองไทยเขาก็จะส่งเงินไปไปให้กับญาติพี่น้องในประเทศจีนเรียกว่โวยกวนแต่ก่อนส่งไปเดือนละปีละสามสี่พันนี่ก็ถือเป็นเงินก้อนใหญ่ของเขาแต่เดี๋ยวนี้สามสี 4, ่พันนั้นไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเขาร่ำรวยคนจีนที่เขาเคยรับเงินจากเมืองไทยตอนนี้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีกันเยอะแยะ ความร่ำรวยนี่ความเจริญการพัฒนาของประเทศเขานี่เห็นได้ชัดมากถ้าเราไปโดยพอทมเมืองด้านตอวันออกกวางโจเซียงให้ปักกิ่งหรือว่าฟูเจียนเซ่เหมอนพวกนี้นี่เมืองเขาใหญ่ๆคนประชากร น, นั้นสิบกว่าล้านคนรถไฟความเร็วสูงตอนนี้ กำลังแพร่ขยายกันอย่างรวดเร็วมากเมืองไทยนะซึ่งเคยเจริญล้ำหน้าเข้าไปหลาย10ปีนะเมื่อสัก30ปีที่แล้วนี่เราก้าวล้ำกว่าเขานี่เรียกว่าห้าสิปีก็ว่าได้รถของเรานี่ใช้กันเยอะแยะจนรถติดแต่เขานี่ไม่รู้จักรถเจอแต่รู้จักแต่รถจั ก, กรยานจตตอนนี้เขาไปไกลแนละ้วไปไกลกว่าเรามากคนชนจีนที่ เช่เหมือนหรือว่ากวางโจนี่เขามาเมืองไทยเขาสัวก็เขบอกเมืองไทยเราเหมือนของเขาเมื่อ20ปีที่แล้วไปกรุงเทพนะเมือนของเขาเมื่อ20ปีที่แล้วเงินของเขาเนี่ก็ใหญ่มากนะเงินหยวนมันมีใครที่เป็นคนไทยที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ช่ำชองเรื่องเมืองจีนมากเขาก็ผู้ใดฟังว่า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 ก็ไม่อยากให้ตํำรวจตรวจไม่ให้เจ้าที่ฝ่ายไทยตรวจก็เลยยื่นเห็ุให้สองหอเจ้าที่ไทยแล้วก็รับเลยนะแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปไอคนจีนเขาก็มาเล่าว่าเนี่ยแค่เห็ุสองหอนี่ก็ตํำรวจไทยเจ้าที่ไทยก็ให้ผ่านแล้วถ้าเป็นเมืองจีนนี่ไม่ได้เลยนะมันต้องมากกว่า น, นั้นหลายเท่าจะให้เส้นบนนี่ก็ก็ให้ได้แต่ต้องเยอะ ใช่เหตุสองหอนี่ถือว่าดูถูกกันมากการให้สินบนในเมืองจีนเนี่ยถึงแม้จะทําได้แต่มันต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพราะว่าตอนนี้เงินในเมืองจีนมันใหญ่กว่าเมืองไทยเยอะอันนี้ก็เป็นเกตุนาะที่มันชี้เห็นว่าความความเจริญทางวัตถุนะของประเทศจีนไปไกลามากไปที่ไหนก็เห็นแต่เมืองใหญ่ๆตึกสูงๆ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 แต่ว่าพอเศรษฐกิจวิกฤตไม่มีคนซื้อกำลังซื้อตกนะไอตื่นผู้นี้ก็เลยล้างแต่ของเมืองจีนนี่มันก็เขาก็มีความหวังว่ามันจ ะ, ะ, จะเจริญรุ่งเรืองไปได้เรื่อยๆและภาแบบนี้ก็ทำให้คนคนคนจีนนะจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตมันเร่งรีบเกินไปชีวิตมันเครียด เขาก็หลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จทางวัตถุและพบว่ามันไม่ยังไม่มีความสุขยังมีความเครียดอยู่เขาก็เลยห <c oughs> ันมาข้าหา <c oughs> ข้าหาธรรมะข้อหาสมาธิภาวนาจริงอยู่ก็มีคนนิยมทามบุญกันเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ ก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เคยรู้จักพุทธศาสนามานานตามว่าในชนบทแตาคําว่าชนบทนี่ก็ไม่ใช่หมู่บ้านนะนะมันเป็นเมือง เ, อเรียกว่าเมืองต่างจังหวัดดีกว่าก็ยังเห็นคนเฒ่าคนแก่ไปทําบุญกันเดินโอกาสไปที่วัดของท่านเว้ยหลังที่ยนี้พอเสรกรรมฐานนี่ก็เรียกว่าเดิน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 เป็นวิหารหลักของเขาบนาะงทีก็จะมีวิหารหลักที่จะมีพระพุทธรูปสามองค์จะหมายถึงพระพเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ได้หรือจะหมายถึงพระพเจ้าที่เรียกว่าสำโพกายนิรมานกายหรือว่าธรรมกายก็ได้มันมีหลายสถติติเข้าไปก็เห็นเขากำลังรดน้ำอสงน้าพระพุทธรูป เป็นพระ เ, เจ้าอางค์น้อยน้อยล้วก็ให้เราได้ส่งน้ำด้วยก็เลยรู้ว่าอ๋อนั่นคือวันวิสาขะวันที่6 6พฤษภาก่อนบ้านเราหนึ่งอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนแก่ 90% 9 9เป็นคนแกนะ่การแต่งกายก็เหมือนกับคนแก่ตามชนบทแต่พอไปอีกวัดหนึ่ง วัดกวัววัดกวงเซียวซึ่งอยู่ในกลางเมืองกวางโจเลยวันนี้เนี่ยท่านเว่ยหลางมา อ, อุปสมบทแล้วก็มีเขายัางอนุรักษ์ต้นไม้ต้นโพซึ่งสำคัญที่สุดในประเทศจีนสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นต้นที่เชื่อว่าท่านเว่ยหลางปรงผมใต้ต้นไม้นี้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 ตอนนั้นกำลังมีการแสดงธรรมขณะที่ครูบาอาจารย์กาลังแสดงธรรมลูกศรรกิษย์ก็ซึ่งคงมีมากมายลูกศรริษย์ที่ยืนอออยู่ข้างหลังบางเอืนไปเห็นธงเป็นธงทิวทิวสบัดคนนึงก็บอกว่าธงไหวอีกคนก็บอกไม่ใช่ธงไหวลมไหวต่างหาก ที่แรกก็เฉียงกันสองคนตอนหลังสองคนก็กลายเป็นสองกลุ่มโตเฉียงกันอย่างเผ็ดร้อนว่าทงไหวหรือว่าลมไหวกันแน่ท่ า, านเวลหานั้นซึ่งตอนนั้นพึ่งมาถึงใหม่ๆก็เลยพูดสวนมาเลย ว, ว่าจิตของท่านต่างหากที่ไหวคนที่ได้ฟังก็อึ้งเลยนะเงียบเลยเพราะว่าทำให้ได้สติขึ้นมาเลย นะคือเอาแต่เฉียงกันว่าลมไหวหรือธงไหวแต่ลืมดูใจตัวเองเรียกว่าส่งจิตออกนอกลืมดูใจของตัวอันนี้เป็นตอนที่มีชื่อมากนะเป็นตอนสำคัญตอนในึงในปอยของท่านเวยหลังกทิวัดกวงเซี่ยวนี่แหละอยู่กลางกรุงอ่ากวางโจวนี่คือเหตุการณ์เมื่อพันสามร้อกว่าปีที่แล้วนะ วันี้เนี่ยปรากฏว่าก็ยังมีคนหนุ่มคนสาวมามามาทำบุญ okay. ไม่ได้ทำบุญให้วัดเปล่านะมาทาบุญให้กับพระไทยด้วยเห็นพระไทยมาก็าก็ถวายถวายปัจจัยเป็นอ่างเป่านะอันนี้ก็เป็นก็ได้มาเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวเขาก็สนใจธรรมะหรือสนใจาศาสนาไม่ใช่ที่วัดกวงเซียวเทนั้นนะวัด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 ถือว่าสั้นมากสำหรับเขาก็ที่วัดนี้นะก็มีคนจีนมีชาวมีหนุ่มนะมีหนุ่มสาวชาวจีนมามาสวดมนต์มาทำบุญเหมือนกันที่ตรงวิหารอารหันต์ห้าร500นะ้อยรหันต์ทองคำห้าร้อยรูปนะเเป็นวิหารที่ก็ทําอย่างพิเศษเลย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 เมืงองจีนเขาปฏิเสธศาสนามาในช่วงคอมมิวนิสต์สมัยที่เขาปฏิวัติใหม่ๆนะตั้งแต่ปี2492าที่เขาปฏิวัติคอมมิวนิสต์ได้แล้วเขาก็เริ่มปฏิเสธศาสนาเป็นเวลา ย, ยาวนานนะถึง30ปี40ปีปฏิเสธแบบทำลายเลยนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธแบบไม่สนใจอย่างเดียวแต่ทำลายด้ยวยทำลายวัดวาอารามต่างๆ โดยพาะในสมัยปฏิวัตินาฏธรรมก็คือประมาณสมั9ร9อ0เก40ปีที่แล้วก็ทำลายมากรวมทั้งทำลายของเก่าของแก่คำพีโบราณทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับลัที่ของจื้อเพราะเขาต้องการสร้างประเทศให้เป็นประเทศใหม่โดยการปฏิเสธของเก่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเหมาเจอตงนะ แต่ก็ทำให้สำเร็จนะก็ะคือว่ามนุษย์เราเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ต้องการศาสนาแม้ว่าจะผิวโหวยยากจนกเกษรเกษสนจนมีกินมีใช้แล้วถึงขั้นร่ำรวยแต่สุดท้ายก็พบว่าวัตถุนี่มันไม่ใช่คำตอบเพราะหันมาสนใจศาสนาแต่ความสนใจศาสนาก็มีหลายแบบนะที่สนใจ เอ า, าศาสนาเป็นที่พึ่งด้วยการทำบุญนะสักการะหวังอำนาจโดนบัรดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังาการโดนบันดาลของพระพุทธเจ้าที่เขาเชื่อว่าจะหรือพระโพธิสัตว์ที่เขาเชื่อว่าจะอำนวยความสุขสวัสดีให้แบบนี้ก็มีนคนแก่แกกๆก็ก็หวังพึ่งาศาสนาในแง่นี้เยอะ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 ตนนันก็เย็นแล้วก็กําลังจะขณะที่กําลังรอเรืออยู่ก็ไปเหลือบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังสวดมนต์สวนอีกผู้ชายคนหนึ่งท่าทางจะเป็นน้องชายก็กําลังเอาตั ก, ต, กตักปลานะัตักปลามะปล่อยลงแม่น้ําแล้วเขาเรียกว่าปล่อยปลาจะเรียกว่าปล่อยปลาไม่ได้นะเพราะรว่ า, าปลามันเยอะมากปลานี่ใส่ใส่เข็งใส่ ใส่เข่งก็ประมาณสักสโลได้ัางปลาปลาดุกทั้งนั้นหลายร้อยตัวทีเดียวผู้หญิงก็สวดมนต์ไปส่วนผู้ชายก็ปล่อยปลาตักปลาตักกันอย่างจริงจังมากเห็นเราก็ชวนให้มาร่วมทาบุญด้วยร่วมตักปลากับเขาไม่เคยเห็นใครปล่อยปลามากขนาดนี้นะคือเป็นร้อยร้อยตัว สามสิบสี่สิบกิโลถ้าเป็นเงินก็คงจะหลายพันอาจจะเป็นหมื่นก็ได้เพราะปลามันก็แถงเหมือนกันถ้าคนจีนนี่เวลาทำอะไรนี่ทำจริงจังมากปล่อยปลาสี่ห้าตัวสิบตัวนี่เขาไม่ทำะนะฮเขาปล่อยกันเป็นร้อยร้อยตัวนะเป็นสิบสิบกิโลเลยนะั่นนี่ก็ก็เป็นบุญตาที่ได้เห็นนะว่ า, าความ ความศรัทธาในในบุญกุศลนะหรือความเชื่อมั่นในในบุญกุศลนี้มันก็กำลังกลับคืนมาสู่นะชาวจีนแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวทั้งสองคนก็อยุ่ไม่มากนะอายุสักประมาณ20กว่า30ต้นต้นๆแต่ก็มีจนวนไม่น้อยที่นะไม่ได้ทาไม่ได้แค่เพียงทำบุญหรือว่าปล่อยนอกปล่อยปลา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 แล้วก็การท ร, รมาหากินแต่ว่าธรรมะของเจ้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นแต่ว่ามีประโยชน์สูงกว่านั้นด้วยก็คือเพื่อมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นมันอยู่ที่ว่านะจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่การเจริญสตินี่ไปใช้อย่างไรในสายพุทธการเนี่ยนะก็เคย มีตัวอย่างอย่างพระเจ้าปเปเสนทิโกศนพระเจ้าปเปเสนิโกสนเนี่ยวันนึงก็ไมไปฟาวพระเจ้าแต่ว่าจะกราบจะกลมนี่ก็รู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าเพราะว่าอ้วนนะกินอาหารเยอะก็ป่าลบเรื่องนี้กับพระเจ้านะเป็นคนที่เจริญอาหารมากนะพระเจ้าก็เลยก็เลยกล่าวเป็นคาถา บอกว่าบุคคลผู้มีสติผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยจะจะมีอายุยืนแก่ช้าเวทนาเจ้าเบาบางพระเจ้าปรสินี่โกสนฟังก็ชอบใจมากนะก็เลยให้มหาเล็กจำเอาไว้ แล้วก็ท่องคาถานี้เวลาตัวเองเนี่ยกินอาหารเพื่อเตือนสติไม่ให้กิดมากคาถาสั้นๆท่านเองพูดมีสติอยู่ทุกเมื่อนะยอมรู้ประมาณในการบริโภคเวทนายอมเบาบ า, บางแก่ช้าอายุยืนเมื่อจะประเสริฐโยชนก็ทำตามแนละทุกมื่อก็มีคนมาเตือนสติให้ชั้นแต่พอดี ไม่นานนะสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักก็ลดลงเดินเหินก็สะดวกเห็นชัดเจนเลยว่าเออจรนะเวทนาเบาบางนะแล้วก็อายุยืนนี่ไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นก็เลยไปทูลพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยว่าคำสอนของพระเจ้านี้เนี่ยนะเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องทางโลกและ เป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์เบื้องหน้านี้ก็รวมถึงการพ้นทุกข์ด้วยการตัวสติเนี่ยมันใช้ได้ใช้ใช้ประโยชน์ได้แม้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยเรื่องพื้นๆในการดําเนินชีวิตเช่นถ้าขับรถมีสติทํางานมีสติความผิดพลาดอุบัติเหตุมันก็ไม่มีถ้ากินอาหารเองมีสติ ก็จะไม่มีโรคไม่มีภัยอันนี้จะเป็นประโยชน์ทางโลก <Yes. S 1> เป็นประโยชน์ปัจจุบั น, <Yes. S 1> นใช่ไหมคว่าทิฏฐธรรมิกธรรมแต่ถ้ามองว่า mm. การจดสติมีเพียงเท่านี้มีประโยชน์เพียงเท่านี้อันนี้ก็เรียกว่ามองแคบไปหรือแม้จะมองว่าการเจดสติมีไว้เพื่อช่วยลดความเครียดแก้ความเครียดทําให้จิตใจหายพุ่งซ่าอันนี้ก็ยังถือว่า เป็นประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นของการเจริญสติหรือสติปัฏฐานใช้จริงแล้วเนี่ยสติเนี่ยสามารถที่จะมีคุณค่าถึงขั้นทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยอันนี้เราเป็นสัมปรุกตะหรือปรมัาถันคือประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสย้านะตอนที่พระเจ้าได้ปรองอายุสังขารเนี่ย ฉันปรงสามเดือนก่อนที่จะประียญิพานตอนที่โปร่งนี้ก็เลยเมีอาการอาภาษณ์นะมีความป่วยไข้หเห็นแล้วร่างกายก็ชรานะผิวหนังก็เหี่ยวย่นพอโปรงมายุอายุสังขารนี่พระที่รับรู้ก็เสียใจนะมีบางท่านก็ร้องไห้คร่ำครวญมีส่วนน้อยนะที่ตั้ง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 ท ร, รมาเป็นเกาะทมเป็นที่พูดอย่างไรพระองค์ก็อธิบายต่อไ ป, ไปว่าก็คือการที่มันเจริญสติปัฏฐาน4นะี่ทางกายนุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาะธรมานุปัสนาะพระองค์ก็ย้ำว่าถ้าพิสุมันเจริญนะสติปัฏฐาน4นะี่ละความพอใจความไม่พอใจในโรกได้เนี่ยก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่โร่งย้ำในในในช่วงที่ทรงเนี่ยโปร่งอายุสังขารแล้วก็เป็นการเตือนสติให้พระทั้งหลายได้เป็นคุณค่าของสติปัฏฐานในพลัตเตือนสติเนี่ยนะมาเจือนสตินี่ก็พยายามมองให้เห็นถึงอันิ่งส่งที่อ่ที่สูงส่งนของการเจือนสติ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 จะต้องมองไปถึงขั้นว่าใช้สติปัฏฐานสีนะ่เพื่อช่วยให้เพื่อยกจิตให้ให้เกิดปัญญาที่ทำให้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมจนจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นะถ้าเราอมองเห็นประโยชน์ของการเจริญสติแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้นะ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 ให้ถูกหลักเสร็จแล้วก็นําไปใช้กับการดําเนินชีวิตให้มันกลมเกินไปกับชีวิตประจําวันไม่ใช่เพื่อให้การดําเนินชีวิตประจำวันมีความสุขเท่านั้นนะแต่เพื่อทําให้เกิดปัญญาสามารถจะเห็นถึงความจริงของชีวิตขั้นปรมาจารย์ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนา อ่อคำนี้ก็เหมือนตอนี้นะอ่ะกลับหาความกัน